และคนดีทั้งหลายเกิดความเมตตาปราณีในตัวเราและสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆอย่างอื่นอีกหลายอย่างเข้ามาสู่ตัวเราและในบางกรณีก็จะเห็นได้ชัดว่าคนบางคนที่รอดพ้นจากอันตรายรอดพ้นจากความหายนะก็เพราะอนุภาพแห่งความกตันอยู่คนที่ไม่มีความกตัอยู่ต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์และต่อบุคคลอื่นๆที่มีพระคุณแก่ตัวเองนั้น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 หรือหมดความนับถือในสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดจะต้องนึกไว้เสมอว่าที่ไม่สำเร็จก็เป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาพระบุญกุศลของเรายัางมีไม่พออันนี้ต้องหมั่นนึกไว้บ่อยๆและต้องเชื่อมั่นทีเดียวว่าสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีจรงิงสามารถช่วยเหลือเราได้จริงๆวิบากคือสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง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 สำหรับผู้ที่หวังที่จะมีความสุขในปีใหม่และมีความสุขตลอดไปทุกๆปีทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องพยายามหมั่นสร้างแต่ความดีให้เกิดเป็นกุศลจจตอยู่เสมอและผู้ที่มีความดีอย่างเพียงพอเท่านั้นการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนจึงจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ